พ่อจะพูดอะไรให้ฟังท่นี่สรุปอาการอาพาธขององหลวงตามหาบัวยสัสมปันโนประจำวันที่23มกราคมพุทธศักราช2554คณะแพทย์ได้กาบเรียนถวายรายงานต่อคณะสงฆ์ว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้า22มกราคมเวลา 8.30 นาศาสดาจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชส ก, กุมารีเสด็จส่งนําคณะแพทย์มาถวายการดูแลรักษาอาการอาพาธขององค์หลวงตามหาบัวทรงกราบขออนุญาตได้ถวายเลือดจํานวนสองถุงเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยง่ายและช่วยให้หัวใจทํางานดีขึ้นและทรงกราบขออนุญาต ถวายยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาภาวะปอดอักเสบติดเชื้ออย่างน้อยจำนวนห้าวันซึ่งหลวงตาอนุญาตทั้งสองประการแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการให้เลือดถวายเลือดและยาปฏิชีวนะดูดน้ำจากช่องปอดด้านซ้ายได้น้ำประมาณ250รซีซีไม่พบอาการแพ้ คือยาปฏิชวนะคือว่าถวายเลือดลวงตาไม่แพ้วางะเถอะปกติหลวงตาไอลดลงเหนื่อยลดลงพักจำวัดได้คือดวงตาพักได้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างดีที่สุดตามพระประสงค์เพื่อประคับประคองรักษ า, าธาตุขันหลวงตาให้ยืนนานเป็นร่มโพร่มใสแก่สิทธิานุสิทธิ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รู้สึกว่าเมื่อวานมาถึงวันนี้อาการของหลวงตารู้สึกดีขึ้นกว่าทุกๆครั้งในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงตารู้สึกว่าท่านอ่อนเพลียเหนื่อยแล้วก็ไอแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้รู้สึกอาการหลวงตาดีขึ้นนะไอน้อยลงแล้วก็คณะแพทย์สังเกตเห็นว่าหลวงตาในซีดตัวขาวเลือดหลวงตาน้อยอยู่แล้วนะพะยายามจะไม่ ไม่รบ ก, กวนดูดเลือดอง์ลงตาแต่สังเกตนะจำเป็นจริงๆยังค่อยดูดเลือดอง์ลงตาไปตรวจหาเชื้อต่างๆนะแต่คราวนี้ก็ได้ถวายองลงตาไปแล้วหนึ่งถุงถวายสองถุงะคือเจ้าฟ้าหญิงท่านขออง์ลงตานะเนี่เราขอประกาศให้คณะสัตญาติโ ย, ายมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งครูบาอาจารย์ที่ได้มาหรือไม่ได้มามาอยู่ในหน้างาน ไม่ได้มาเฝ้าหลวงตาหรือไม่ได้มาอยู่ใกล้องค์หลวงตาก่อนที่จะทําอะไรกับองค์หลวงตาคณะสิทธิ์ที่อยู่ใกล้เดี๋ยต้องขออนุญาตซะก่อนขออนุญาตทุกครั้งถ้าท่านหลวงตาอนุญาตแล้วพวกเราจึงค่อยทํำทาเมื่อท่านว่าไม่พวกเราจะไม่ทํานี่ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็เมื่ใครๆก็ไม่กล้าขอจะขอแล้วก็คงจะกลัวหลวงตาไม่ให้บั่งกลัวไม่สบาย ใจกับมูกับผู้กับคนผู้อยู่ใกล้ด้วยบางท่านก็เอา้าม่น่าจะรบกวนบางท่านก็ไม่น่าจะทำํำจะฟ้าหญิงท่านมาก็เลยขอจากท่านพ่อของท่านนะลงท่านพ่อของท่านลงตาเราก็อนุญาตนะพวกคณะแพทย์จึงได้านาถวายาตามาที่ได้ขอได้นะนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่จะทําอะไรก็องค์หลวงตาในขณะนี้หลวงตายัง รู้สึกยังตัดสินใจขององค์หลวงตาได้อยู่เพราะนั้นคณะสิทธ์ทุกหมู่ทุกเหล่าที่จะทําอะไรลงไปก็ต้องได้ขอได้รับอนุญาตซะก่อนข้อนั้นเพราะนั้นนะถึงหลวงพ่ออยู่ใกล้นี่แนหะละหลวงพ่อจึงแจ้งข่าวมาให้แก่คณะจตหายาธโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้รับทราบนะและก็พร้อมกันบางครั้งองค์หลวงตาท่านเหนื่อยนะท่านเหนื่อยท่านเพลียท่านหายใจไม่ ไม่ค่อยจะเพียงพอนะ่พวกเราก็ได้ขออนุญาตถวาย ygen, ออกซิเจนให้แก่ท่านท่านก็รับนะแต่ถึงยังไงคณะศิษยาณุศิษย์บางท่านบางคนก็เห็นว่าไม่น่าจะลบกวนท่านเพราะสายพลุงพลังท่านก็เคยบอกเคยเทศเคยแนะนำสั่งสอนพวกเราเมามากตอมากแล้วไม่ควรจะลบกวนท่าน แต่ในท่าว่าผู้อยู่ไกลนะผู้อยู่ไกลฟังแล้วก็เออใช่เออไม่น่าจะรบกวนท่านนะแต่พู้อยู่ผู้อยู่ใกลนะ้เนี่ยผู้อยู่หน้างานเนะ่ยเห็นท่านหายใจไม่อิ่มเราจะปล่อยให้ท่านหายใจไม่อิ่มอย่างนั้นเหรอนะเนี่ยแทนว่าหายใจไม่อิ่มหายใจหอบใช่หอบอยู่เนะี่ยจะปล่อยให้ท่านหายใจไม่อิ่มอย่างนั้นเหรอ เรามีทางช่วยอยู่เครื่องช่วยหายใจนะสมมติว่าไม่ไม่ใช่โรคตานะนะแต่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่แหละมาเฝ้าป่วยพ่อของเราแม่ของเราในโรงพยาบาลอบอกเออพ่อแม่เออจะค่าเป็นไรไปไม่ต้องให้ออกซิเจนกับเรานะแต่ทีนี้พอมาถึงจุดนั้นนะ่ะแต่ข่าวพ่อแม่พูดก็คือข่าวก่อนใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคราวนี้นะ่ะพ่อแม่ของเราหายใจไม่อิมนะ่มพวกเราก่อนเออพ่อแม่บอกแล้วไม่ให้ไม่ให้ใช้เครื่องออกซิเจนนะ่ะ เราไม่ต้องใส่ละเนะี่ยกทั้งหลายกับเป็นส0บเป็นสิ บ, เ ป, สบเป็นยี่สิเป็นร้อยเดี๋ยวนั่งคอยนะพ่อแม่ของเรากหายใจไม่อิมนะ่มอย่างเนี้ยทั้งที่เครื่องหายใจเครื่องช่วยหายใจยังมีอยู่เนะี่ยเราจะทำยังไงให้ถามใจของเราด้วยเช่นนี้เราจะทำยังไงเราจะให้ไหมหรือจะไม่ให้ถ้าเป็นหลวงพ่อนะนดดเอนี่ยกระโดดเลยงั้นเอาเครื่องออกซิเจนเข้าไปให้พ่ อ, ใ ห, พอให้แม่เลยแล้วงั้นเถอะเที่ท่านบอกท่านวาดที่ แต่ก่อนแต่เก่านั้นเราเอาไว้ก่อนนะเราต้องช่วยท่านก่อนอันนี้คือน้ำใจไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ท่านหายใจไม่อิ่มอยู่ยงั้นตลอดไปหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกนะในความเห็นของหลวงพ่อนะเพราะนั้นขอให้พี่น้องคณะทศไทยญาติโยมภูบาจารหมูพวกเพื่อนน้องน่งทางหลายให้พิจารณาดูผู้อยู่หน้างานผู้อยู่ใกล้เนี่ย ละเทศะบุคคลการสถานที่เส้นนี้เราควรจะทําอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องเคิดโดยเป็นธรรมทําโดยเป็นธรรมพูดโดยเป็นธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นธรรมทั้ง3ทั้งสทงสาวารหลวงพ่อว่ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถึงเราจะจากไปก่อนท่านพวกเราว่าได้ ท, ทําดีที่สุดแล้วพร้อมที่จะหลับตาเพราะงั้นเถอะพอเราได้ปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจาร ที่รักเคารพนับถือของพวกเราทําอย่างเต็มที่แล้วนะเราก็ได้หลับตาสบายตายก็ตายเถอะนะคนเราเกิดมาแล้วก็ตายนะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายเนี่ยเรื่องอภินิหารก็เหมือนกันนะถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในครั้งพุทธกาลมาถึงยุคนี้สมัยนี้ท่านบอกว่าอันนี้อภินิหารไม่เหนือกลัมกลัม ใ, ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอภินิหารนะ อย่างพโมคาลาเนะี่ยพโมกคาลานะเทเระนะี่ท่านเหาะเหินเดินฟ้าได้ด ำ, ดำดินบินบนได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ทุกอย่างแต่ผลที่สุดถูกโยนค่านะทำไมถึงโยนค่าเพราะว่าท่านทำกลมไว้ในอดีตท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านไวในอดีตมาพบในชาตินี้ถึงท่านจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนเหาะเหินเดินฟ้าได้ผลที่สุดท่านก็ ถูกฆ่าเพราะเหตุไใดสรุปแรกก็คือกลัมเหนือกว่าอิทธิฤทธิเหนือกว่าพระพิเนหานพระพิเนหานมีจริงแต่ก็ไม่เหนือกลัมกลัมนี่เหนือกว่าอรพิเนหานพวกเรามาเปรียบเทียบดูนะอันนี้เราเปรียบเทียบพระที่มีอิทธิฤทธิอย่างพระโมกคลานะเหาะเหินเดินฟ้าได้แต่ผลที่สุดท่านก็ยังมาใช้กลัมของท่านในอดีตชาติของท่านนะ พอโมคขาลาทร้างเกิดมาเป็นลูกชายคนเดียวนะลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวนั่นนะกับพ่อแม่จากนั้นพอเป็นหนุ่มขึ้นมาต่อมาพ่อแม่ก็ตาบอดทั้งคู่เลยนี่แล้วพระโมกคลาเนี่ก็เป็นหนุ่มแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ทั้งตักน้ำเออนึ่งข้าวเปาไฟอะไรหาอยู่หากินเลี้ยงพ่อแม่นะทำงานนอกบ้านทั้งทํางานในบ้านทั้งกลางวันเขานู่นไปทําไร่ทํานา ทำรัว้วทำสวนพอกลับมาบ้านแล้วก็มานึ่งข้าวเอามาตักน้ําให้พ่อแม่อาก พ, พ่อแม่ก็เลยเห็นโอ้ลูกลูกชายของเราเนี่ทํางานนอกบ้านในบ้านนี่หนักเกินไปใชแล้วน่าจะหาแฟนให้เขาน่าจะหาครอบครัวให้เขาสักถ้ให้พ่อแม่เท่าก็มีหมู่มีเพื่อนมีพี่มีน้องใช่ไหมล่ะ ถึงท่านตาจะบอดก็จริงอยุ่แต่กดิ์มีพี่มีน้องทำเออผู้หญิงคนไหนที่จะมาเป็นลูกสะภ้ายเราได้พวกญาติพี่น้องเขาก็หาให้นะพาหาให้ก็เลยเอก็ไปขอแต่งงานพอแต่งงานพอมาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ที่ใหม่ๆก็ดีนะเออใหม่ๆก็ดีธรรมดาใหม่มันก็ต้องดีเกือบทุกอย่างนั่นแหละถ้าพออยู่มาอยู่มาที่นี่ลูกสะภ้ยเนี่ยก็สามีพระโมคคลาเนี่ย ท่านก็ไปทำนาทำไร่ทำไร่ทําสวนก็บอกให้แฟนตัวเองเนี่ยให้อยู่กับพ่อคุณแม่ให้ดูแลเนะเอะให้ตักน้าให้ดูแลเรื่องอาหุธอาหารการเป็นอยู่ทุกอย่างคือมอบให้แฟนเป็นผู้ดูแลพ่อแม่แทนมั้งนั้นตัวเองเนระไปทํางานหนักอยู่นอกบ้านนะพอต่อมาที่นี่ลูกสะพ้ยเนี่ยกับปู่ย่าเนี่ตาบอดเนี่นะหาเรื่องหาเราไม่พอใจวันนั้นบงังไม่พอใจวันนี้บ้างเหมือนกันอนะ พอีนส่วนก็หาเรื่องหาเราจนเกิดเรื่องใครข้าว่าดังเกียรติปู่ย่าแม่ย่าแม่ผัวของตนเองเหมืนอนกันแต่จนถึงวันหนึ่งพอต้มข้าวเสร็จแล้วก็มาเทราดพื้นบ้านแต่นี่กับพอสามีมาเนี่ยบอกว่านี่นะฉันอยู่กับเจ้าไม่ได้หรอกเพราะเหตุว่าเห็นไหมเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวกินแล้วเลี่ยราดไม่รู้น้ําข้าวเมนู้น้ําแกงอะไร โมโหขึ้นมากูวเวียงไปทั่วเห็นไหมละ่ะสกระปรลกรลกลงลังไปหมดทั้งที่ไม่ใช่ของตายหญ่เด้ตัวเองสร้างสถานการณ์มางั้นถเถอะลูกจะพ่ไม่ชอบพ่อปู่แม่ย่ามาเงั้ยเถอะเทราดไปหมดเลยต่อมาอทางสามีก็เห็นแล้วก็โอ้ทาไมพ่อแม่ของเราไปทําขนาดนี้เชี่ยวเหลยอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาแล้ ว, ลวจะทำยังไงแต่ทั้งเมียของเขานะ่ยก็บอกว่า ถ้าพี่ไม่เอาพ่อแม่ออกจากบ้านในชันจะออกจากบ้านเองฉันจะไม่อยู่ด้วยละ่ะชันจะนี้จะกลับไปบ้านละ่ะชันจะไม่อยู่ด้วยเห็นไหยขนาดนี้ละ่ะท่านนี้พระโมคคลาท่านก็เห็นพ่อเห็นแล้วก็ท่านอารมณ์โชบโว้บใช่ไหมไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดขึ้นก่อนไม่ได้ถามพ่อถามแม่เลยว่าพ่อแม่ทํ า, ายังไรทําอย่างนี้ไม่ได้ถามเหมือนกันนี่หละฟังข้างเดียวมันเอียงนะฟังข้างเดียวมันเอียงแล้วก็อารมณ์บวกกับความรัก ความรักในแฟนของตนเองด้วยบางันเนีแฟนพูดอะไรเชื่อหมดบางันเถอะแล้วก็ลืมถามพ่อแม่ใช้ไหมหัวน้อยโสดละปะเดี๋ยวผมจะจัดการเองพะะเวันนั้นก็ลงไปเทียมเกวียนเลยใช่ไหมไปลงไปเทียมเกวียนเอาเกวียนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาถามพ่อแม่อยากจะไปเยี่ยมญาติไหมจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องบ้านโน้นไหมทั้งพ่อกับแม่ก็ห่างแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมญาติใช่ไหมละ่ะคนตาบอดเนี่ย โอ้ถ้าลูกจะจะไปกับดีแล้วพ่อแม่ก็จะไปเยี่ยมพี่น้องอยู่เหมือนกันนั่นแหละถ้าพาไปคุดีลูกเหมือนกันไปก็ไปจากนั้นก็พ่อกับแม่ขึ้นเกวียนพอพ่อแม่ขึ้นเกวียนเสร็จแล้วก็เทียมเกวียนเลยเกิออกไปเลยว่างั้นเถอะพอออกไปเสร็จแล้วก็ไปถึงเครึ่งทางกลางดงเลยพอถึงครึ่งทางกลางดงบอกว่าพ่อจับเชือกบัวไปนะ เ, เดี๋ยวผมจะเข้าป่าซะก่อนค่อยๆว่าไปไ ป, ไปถ่ายอุจระอย่างนั้นแหะ หลบออกข้างทางให้พ่อถือเชือกเกวียนเนี่ยมันววมก็ไปตามทางเกวียนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันไม่มีทางแยกทางอื่นน่ะแต่นี้พระโมคขลาท่านแทบหมดมีเล่ดิ่มเหมือนกันพอไปชักพัดใหญ่หนึ่งเทีนพระโมกคลาก็เดินไปข้างหน้างคนตาบอดเนี่ยท่านก็ไม่เห็นนี่ใช่ไหมกับพ่อกับแม่เนี่ยนี่พระโมคขลาก็าเลยโขเลยเทไนเอ๊ยสองตายายมายังไงว่าเอาหัวล่อวัวเกวียนม่ให้กูวะมันคือเปลี่ยนใครข้าวบด ตกรพูดภาษาลาวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอย่างนั้นอ่ะนั่นนะพ่อแม่ก็จําไม่ได้ว่าเป็นเสียงของลูกตัวเองเท่นี่ทั้ทงผู้พ่อก็เลยบอกโอ้ลูกโมกขาลาโจรจะมาป้นเอาวัวเอาควายนะ้อมาป้นเอาวนะัวเน้อลูกให้หนีให้ห่างนะเน้อนี่แหละคือตําราหนึ่งบอกว่าพระโมกคลาร้องบอกออกไปเท่านี้พระโมกคลาไม่ได้ฆ่านะ เออเพียงพระโมกคลาเขเลยใจอ่อน<ๆ>ก็เลยเอาพ่อแม่กลับนะหนึ่งคือในพระไตรปิฎกพูดเป็น2นะแต่นี้ตำราหนึ่งบอกว่าถึงพ่อแม่จะพูดอย่างนั้นนะ่ยบอกวโมกคลาเอ้ยหลีกหนีให้ห่างนะลูกเอ้ยโจรจะมาป้นเอาหัวร้อนะนะพระโมกคลาก็ยังบันดาลโทสะเนะี่ยขึ้นไปก็ไปกระชากพ่อกระ ช, ชากแม่ลงมาเลายคอนทบเลยงั้นนะจากนั้นก็ฆ่าพ่อก็ฆ่าแม่ตายจากนั้นก็เลยฝังไว้ในข้างทางเสร็จแล้วก็เอาบุก เกวียนกับมาบ้านตัวเองนะี่นี่แหละคือชาตินั้นนะชาติที่พระโมคคลาฆ่าพ่อแม่จากนั้นพระโมคคลาพอตายจากชาตินั้นก็ลงลงสู่เอเวจีมหานารกเลยทีนะี้อนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุขาตฆ่ามารดาปิตุขาตฆ่าบิดาอารหันต์ตักคาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ให้ห่อคลายว่าเก่งเห็นอย่างพระเทวทัตเก่งเห็นลงมาจากภูเขาคิ้จุกุดกระทบประบาทของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะพระเราหีทอดและสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันคลาคลายว่าสงสมัคคีกันพระสงเนี่ยรักกันสมัคคีกันเราเนี่ยยุโยงให้สงแตกกันเป็นสองฝ่ายท่านว่าบาปหนัก 5. ประการ อ, อ, อนันตเรียกกรรม5้ามาตุค่า ฆ่ามารดาปิดุฆาตฆ่าปิดาอราหาันตะฆาตฆ่าพระหันโลหิตุบาทำร้ า, ายพระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตให้ห่อและสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันอันนี้คือบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาแปลว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานมีแต่ไปนรกอย่างเดียวคนห้าประเภทนี้นี่แหะพระโมคคราในชาตินั้นท่านก็พอฆ่าพ่อฆ่ า, าแม่เจแล้วท่านก็ลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหารกนะ่ะลงพ่อวินิจฉัยนะ หลวงพ่อว่าต้องฆ่าแน่ถ้าไม่ฆ่าบาปกรรมคงจะไม่หนักขนาดนั้นคงจะคงจะเบากว่านั้นอันนี้ท่านคงฆ่านะประโมคคลาคงได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านจงิงๆถูกฆ่ายังไม่รู้กี่กี่ชาติบ้างนั้นเถอะทําให้จริงยังไม่คงจะไม่ถึง500ชาติกำมังผูกฆ่าทุกชาติทุกชาติเกิดมาชาติไหนก็ถูกฆ่ามาชาตินี้นะท่านได้เป็นพระอรหันต์นะเหาะเหินเดินฟ้าได้ ดำดินบินบนได้ เ, เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายอัครสาวกทางด ik, ้านขวาคือพระสารีบุตรอัครสาวกท่านด้านซ้ายคือพระโมคคะลาพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในบรรดาศิษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญามากคือพระสารีบุตรพระโมคคะลาเนี่ยเป็นอัครสาวกทางด้านซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททุก โมเหล่าของพระพุทธจเจ้าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์หเหาะเขินเดินฟ้าดำดินบินบนได้อันนี้ก็คือพระโมคคลลาแต่วันที่พระโมคคลลาจะถูกฆ่าน่ะพระโมคคลลาไปอยู่ที่กรุงราชคฤห์อ เ, อเมืองขยาศีสระนะท่านเข้าไปพักอยู่วัดป่าตามปกตินี่แหละมีลูกน้องบริวารโจรผู้ร้ายเขาก็นี่ยแหละได้รับการว่าจ้างมาจาก คนศาสนาอื่นเหมือนกัน่ะเจ้างมาเพื่อจะให้ฆ่าพระโมคคลลาเ้าก็จ้างมาโจรห้0ร้องั้นน่ะเออไม่ใช่โจรน้อยนะโจรห0าร้เขาก็ได้รับรางวัลได้รับเงินมาแล้วเขาก็มามาเขาจะมาจัดการฆ่าพระโมคคลาเพราะว่าพระโมคคลาเนี่ยเป็นมือซ้ายของพระเจ้าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เออไปสวรรค์ไปบอกไปเห็นสวรรค์ไปคุยกับเทวดาบนสวรรค์มาบอกญาติเออญาติของสูเจ้าชื่อนู้นชื่อนี้นะเดี๋ยวนี้อยู่บนสวรรค์นะ ท่านสั่งความมาอย่างนี้อย่างนั้นนะคนทั้งหลายก็นับถือเลื่อมใสอย่างมากในครั้งนั้นเพราะพระโมกคลาเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นผู้ไปสู่สวรรค์แล้วก็มาบอกกล่าวให้แก่ญาติพี่น้องของเมืองมนุษย์ฟังค่ะแต่ที้พวกทเป็นศาสนาอื่นเขาก็โอ้ถ้าพระโมคคลายังมีอิทธิฤทธิ์อย่างอยู่อย่างนี้อยู่บริษัทบริวารของเราก็คงจะร่อยหล่อเราคงจะจัดการซะฆ่าพระโมคคลาทิ้ง แตนี้เข้าก็เลยลงขันกันลงขันจ้างพวกโจรห้0รเพื่อฆ่าพระโมกคลาแต่นี้วันแรกเขาก็ไปห้อมล้อมนะไปห้อมล้อมกุฏิของท่านพระโมกคลาก็เหาะหนีเลยเอย๊มันมาล้อมอะไรท่านก็เหาะไปทางทางหน้าต่างแล้วงั้นหายเงียบโจรผู้ร้ายก็ขึ้นไปขึ้นไปค้นหาไม่เจอพอวันที่สองอีกขึ้นไปอีกห่ออีกเพาะนี้ทางอากาศอีก พอครั้งที่สามท่านก็นมานั่งเอ๊ะทำไมทําไมโจรผู้ร้ายเหล่านี้จึงผูกพยาบาทอาฆาตกับข้าพเจ้าถึงขนาดนี้ข้าพเจ้ามีกรรมมีเวรอะไรนะกับเขานะ่ยท่านก็ น, นึกย้อนหลังดูเนะนึกย้อนโอ้ตายเราเคยฆ่าพ่อกับฆ่าแม่มาเราจะหนีกรรมแต่นี่หนีไม่พ้นแล้วถึงจะมีอิทธิฤทธิ์กันนี้ไม่พ้นกรรมเลพระโมคคลาเลยไม่หนีแท้ครั้งที่สามนี่นั่งอยู่กับที พอขึ้นไปโจนขึ้นไปเอ้านี่แลนั่งอยู่นี่หน่อคอนกันตีแล้วงต่างคนก็ต่างตีคนหนุบคนระดับโจนห้าร้อยใช่ไหมเออจนกระดูกแหลกละเอียดตีแล้วก็พอ น, นก็ตีแล้วก็ไปแล้วท่านตายแล้วแต่นี้พระโมคคลานเออก่อนที่เราจะตายเนี่ยเออเรายัางไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าก่อนคือพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยองไหนจะปรินิพานจะต้องไปกราบลาพระพุทธเจ้าก่อน พระพุทธเจ้าข้ากับผมอาจมีอายุไขครบบริบูรณ์แล้วจะได้กราบลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานจะเข้าปรินิพานแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ว่าเออไปตามอันควรของพวกท่านเถอะนะคือได้รับอนุญาตจากนั้นพระสาวกเหล่านั้นก็นลามและก็ปรินิพานแต่พระโมคขลาไม่ได้ลาพระพุทธเจ้าเพรถูกโจนข่าพระโมคขล า, าเออ เรายังไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเลยยังไม่เหมาะสมพระโมกคลาเลยประสานประสานกระดูกประสานธาตุขันให้เป็นเหมือนเก่าหมอประสานกระดูกหมอกระดูกหมอเป่ากระดูกทางอีสานนี่ยเขาจึงเรียนคาถาโมกคลาประสานกายเขานะพระโมกคลาประสานกระดูกเขาจะจมุกมับมับมับมับมับเสียงน้ํามันงาแล้วก็ประสานกระดูกนัน่ะอันนี้ก็คือเป็นคาถาของพระโมกคลาพอประสานเสร็จแล้วกท่านก็ เขามากราพระพุทธเจ้าพอมากราบ่อฆ่าพระองค์ได้ถูกโจนฆ่าที่เมืองขยาศิษะกรุงราชคือกับผมจะได้กราพลาพระองค์ปรินิพานถึงการอันที่จะกราพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าขานพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาก่อนที่ท่านจะปรินิพานให้เธอแสดงฤทธ์น้องๆดูด้วยนะก่อนก่อนที่จะไปพระเจ้าขา่าจากนั้นพระโมคคลาก็เลยแสดงฤทธ์เหาะขึ้นบนบนอากาศ โชดต้นตาลหนึ่งลงมากราบพระพุทธเจ้าแล้วกราบเสร็จแล้วก็กเคลนไปอีกสมชั่วลําตาลแล้วกลงมากราบอีกขึ้ืนไปอีกถึง7จชั่วลําตาลลงมากราบอีกพอกราบเสร็จแล้วก็ข้าพระองค์จะขอกราบลาพระธองค์ไปปรินิพานพระเจ้าข่าเออไปตามการอันควรของเธอเถนะโมคลานะพระพุธองค์ก็อนุญาตเจกนั่นก็หายเว็บไปเลยพอไปถึงเมืองขายาศีสะตรงนั้นลนะ่ะ ท่านก็วางพวกลงไปเลยเป็นอย่างเก่าคือเหมือนกับโจนถูกฆ่าตีอย่างนั้นเป็นอย่างเก่าปล่อยทิ้งตรงนั้นนพระโมคคลาท่านก็ปรินิพานไปเลยเนี่ยนี่แหละสรุปแล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะแปลว่าอภินิหารเนี่ยไม่เหนือกลัมกลัมในเหนือกว่าอภินิหารเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกสั่งพวกเราท่านทั้งหลายในยุคนั้นสมัยนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า อกตังตุกตังเส้ยโยปัจฉ่าตปติตุตกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นใครทำเขาแล้วจะต้องเดือดร้อนจะต้องเาผาผลาญต้องให้โทษเมื่อภายหลังอย่างพระโมกคลานี่ก่อนที่จะทำกรรมท่านไม่ได้คิดเหมือนกันเถอะสั่ ว, วุบขึ้นมาเออฟังแม่บ้านฟังแฟนพูดเท่านั้นแะโมโหขึ้นมาเลยไม่ได้ถามพ่อไม่ได้ถามแม่ตัวเองเลยว่า พ่อแม่ทำไมทำอย่างนี้เอมันต้องถามเราเป็นลูกนะเราเป็นลูกเราต้องถามพ่อถามแม่ต้องถามเหตุผลเราจะไปฟังคนอื่นยิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองได้อย่างไรนี่พระโมกคลาขาดความรอบครอบอย่างมากจุดนี้นะเพราะนั้นเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ใครมาพูดให้เราฟังก็ตามนะถึงจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายมาพูดให้เราฟังเราอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวนะเราต้องฟังซะก่อนพอฟังเสร็จแล้ว เราต้องใจเย็นๆซะก่อนถ้ามันเรื่องใหญ่นะเราต้องพยายามสืบสอบสอบถามเรื่องสะก่อนว่าเป็นยังไงสะก่อนนี่แหละคือเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มีปัญญารอบคอบเอาตัวรอดได้แต่ปุ๊บปับฟังแล้วเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดน่ะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะเพราะว่าขาดความรอบคอบนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ได้ฟังเป็นธรรมประทักตกถา มาในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อยกษาทกมาให้ฟังเนี่ยคือพระโมคคลาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าใครไปศึกษาถ้าใครไปอ่านเนี่ยจะรู้ได้เลยรู้ในพระไตรปิฎกท่านตรัสท่านบอกไว้อย่างนั้นนะสรุปแล้วก็คือพระโมคคลาทำกรรมอนันตริยกรรม5คือข่าพ่อกับข่าแม่ไอ้ถ้าฆ่าคนเดียวยังบาปหนักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะข้าทั้งสองเลยว่งั้นเด้มาตุคาดข่ามารดาปิดุคาดข่าบิดาเนี่ย อันนี้แปลว่าพรโมคลาทำกรรมสองอย่างพร้อมกันว่าไงเถอะทากรรมสองอย่างพร้อมกันข้ามพ่อก็ข่าแม่พอนะเพราะฉะนั้ออนท่านท่านจึงรับกรรมหนักหนักมากในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านในเรื่องพ่อเรื่องแม่เป็นพระหรหันนะพระหรหันของบุตรธิดาพวกเราอย่าไปถกอย่าไปเถียงทําพ่อแม่ดุดาว่ากาวยังไงให้ก้มหน้าก้มตาฟังให้ร้องให้ฟังก็ยังได้ว่าไงเถอะแต่อย่าไปถกอย่าไปเถียงอย่าไปทุบอย่าไปตีท่าน อย่าไปแสดงอากับกริยากับท่านไม่เหมาะสมพเพราะท้าเราทำไปแล้วเราจะเสียใจเมื่อภายหลังแล้วก็ลูกของเราเมื่อเห็นเราเถียงพ่อเถียงแม่ดาพ่อดาแม่นะลูกหลานของเราลูกของเราจะออกเป็นตัวอย่างนะพอเล่าเท่าแก่ชลามานะเขาก็จะถือเอานะแต่พ่อแม่ของเราก็ยังดาปู่ย่าของเราเราดาไม่เป็นไรไปนะผลอนสุตตัวเองก็ช้ำอกช้าใจจะไปตาหนิใครล่ะเพะตัวเองเคยทามาแล้วนะ เพราะนั้นอย่าทำให้เป็นตัวอย่างของลูกของหลานพวกเราให้ให้รักเคารพในบิดามารดาของตนเองให้เคารพในครูอุปชาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กาเนิดเป็นผู้ให้ดวงตาเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ให้แนวความคิดศีลอย่างนี้นะธรรมอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้นะ พิจารณาอย่างนี้นะจึงจะหลุดพ้นจากอาสวักิเลสนะนี่แหละเป็นบุพาการย์เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้ความรู้กับพวกเราเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนะีเป็นที่เคารพนับถือถ้าพวกเราทำถูกต้องตามแนวแถวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรามีแต่ความสุขความเจริญนะเย็นอกเย็นใจไปอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่ความสุขนะ แต่พวกเราทําไม่ถูกแล้วทุกยากลําบากนะลำบากจิตใจนะแล้วหลวงพ่อจะแถมนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะและนิทานปราลําปราหนังเรื่องนี้แต่เป็นนิทานที่น่าคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อที่สอนอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามให้เป็นแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าพูดให้ไปเพื่อเป็นการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ใช่ถ้าเราพูดเป็นคําเป็นคําไ ป, าปามันค่อยจําไม่ค่อยได้ ถ้าพูดเป็นนิทานนะเน่เป็นแนวความคิดนะิทานในเรื่องนี้เนะี่ยเป็นนิทานของโบราณเขาบอกว่าสมัยสร้างโลกใหม่นะสร้างโลกใหม่มนุษยเ์เป็นผู้ฉลาดอย่างที่ว่านะัา่นน่ะเหมือนกับวัวควายอย่างที่ว่านะใช้วัวใช้ควายใช้ช้างใช้มาใช้หมาไซ ใ, ใ, ใช้ไกนะ่ใช้ไปหมดใช้กระทั่งแมวกนะันแแมวเลี้ยงไว้สำหรับไล่หนูหมาสำหรับเผาคนนะไก่สำหรับขันเวลาให้ฟังนะ อย่างนี้แหละคนเลี้ยงไว้เหมอนกันนะแต่ทีนี้ก็เอโดยมากหมูกับหมามันอยู่ใกล้คนนลยนกินอาหารประเภทเดียวกันกันกบคนเหมือนกะกินข้าวเหมือนกันหมูกับหมาเนี่ยกับคนเนี่ยแต่คนก็เลยว่าหมูกับหมาเนี่ยมันกินอาหารประเภทเดียวกันน่าจะ ก, กินคนละอย่างกันน่าแต่ถ้าว่าใครทํางานทํานาช่วยทํานากับคนเน่ะช่วยทํานาเนี่ยเราจะให้กินข้าว ตาตัวไหนไม่ตั้งใจทํางานกินแกบกินลําะไปช่วยทำํำนาเดี๋ยวนี้มันกําลังจะเข้าหน้าฝนแล้วคนก็อยู่บ้านใช่ไหมล่ะทํางานอยู่บ้านก็เลยใช้หมากับหมูไปทํางานไปทํานาเหมืนกนะัไปเริ่มทํานามันไปเริ่มต่อไปคนก็นจะไปไปร่วมอีกว่างั้นเ่ะแต่เนี้หมูกับหมาเนี่ยไปด้วยกันหมามัน ม, มีเครื่องมือใช่ไหมล่ะหมูมันมีเครื่องมือด้มันมีแท็กเตอร์ได้หมูนะ พวกเราเคยเห็นหมูอยู่หมูบ้านนอกมันจะมีแท็กเตอร์ที่จะหมูกของมันมันจะคุยขุดดินว่างั้นเถะเออขุดดินขุดดินหมูมันก็ขุดปานเป็นคันนาขึ้นมาเป็นคันคันนาว่างั้นเถะเออคันนาที่จะทำทำนาว่านเะมันก็คุยดินคุยดินคุยดิ น, ดนทำไอเจ้าหมามันก็ไม่มีไม่มีเครื่องมือใช่ไหมนะมันตะกุยตะกุยกันหน่อยเดียวใช่ไหมเหมือ น, นเล็บนมาตะกุยหมาจะมันก็นย่ําแล้วจ้น่ย พอหมูพอหมูตะกุยขึ้นมาหมาก็ย่ําย่ําบนหลังหลังคันนาเหมือนกันนะไอ้ตัวหมูก็ไม่ตะขุดอย่างเดียวเลยไอ้หมาก็ย่ำมันย่าคันนามือนกัย่น า, นานนะยไปย่ํามาย่ำไปย่ํามาจนจนมันเป็ น, เ ป, นเป็นรูปเป็นร่างแบางั้นเถอะคั น, นนาเนี่ะทําเสร็จแล้วก็เอทําคันนั้นต่ออกีกหมาก็ย่ํำอยู่ข้างบนอยู่ตลอดเหมือนกันเถอะผนด้วยสุดก็เลยคนก็มาเถ อ, เอะนะเป็นไง ผลงานของสูรเจ้านี่ยทั้งสองเนี่ยไปถึงไหนแล้วในเราดูสิแสดงผลงานสิไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันมันบอกก่อนนะเจ้านายครับเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยทำแทบแย่เหมือนกันนะผมนะไอ้เจ้าหูเนี่ยเนีมันมีแต่ขุดขุดขุดไปอย่างนั้นแหะเห็นไหมผมเนี่ยเหยียบคันนาเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเนี่ยเพราะผมเนี่ยเห็นตะลอยของผมทั้งหมด่เห็นไหมทางบนเนี่ยทางเจ้าของเออช่ เออเห็นแต่ลอยหมาอยู่ข้างบน เ, เห็นเห็นต่อยหมาทั้งหมดหมูมีแต่ขุดตินขึ้นมาเออเอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต่อไปนี่ก็เอาให้หมูกินแกบกินลำซะให้หมากินข้าวกับมนุษย์เห ง, งือนันนะให้หมูกินแกบกินลำตั้งแต่บัดนั้นมาหมูก็เลยกินแกบกินลำตลอดมาหมาก็เลยกินข้าวนะอันนี้ท่านบอกว่าหมูไถานาหมาเหยียบลอย หมูไทยนาหมาเหยียบลอยใช้คำนี้ขึ้นมาคนโบราณเขาบอกว่าคนหนึ่งทำงานแทบล้มแทบตายแต่คนหนึ่งไปขโมยเอาผลงานของเขามาว่าเป็นผลงานของตนเองคล้คยๆว่าคนหนึ่งทํางานแทบแย่แต่คนหนึ่งไปขโมยแล้วไปบอกว่าเนี่ยผลงานของผมนะเนี่ยไปอวดเจ้านายว่าไงแต่เจ้านายหูหนวกเจ้านายตาไม่สว่างพระเนสูก็เลยให้ลูกน้องคนที่มาเสนอผลงาน มาที่มาพูดว่างั้นเด้อไม่ได้อย่างลึกลงไปว่าผลงานชิ้นนี้น่ยใครเป็นคนทํากันแน่ไม่ใช่ว่าพวกประจบสอบพลอขึ้นมาแล้วก็เป็นผลงานของเขาเน่ยอันนี้แหละนิทานในเรื่องนี้คนโบราณเขาบอกว่าหมูไถนาหมาเหยียบรอยเพราะฉนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาอยู่ที่ใดที่นั้นแหละคือความเป็นธรรมอย่าไปขโมย ของเขาเขาทํางานแล้วนะเราไปฉกฉวยผลงานของเขานะ่ยอันนั้นคือความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมเนยะหมาหลวงพ่อเนี่ยกับหมูป่าหลวงพ่อมันคงจะคงจะผูกเวรกันมาแต่คราวนู้นกับมังนะ เ, เมื่อไม่นานมาเนี่ยเนะมื่อปีที่แล้วมาก่อนที่จะจับหมูป่านะหมูป่าหลวงพ่อตัวบักใหญ่เนียเขี้ยวโค้งแล้วกนะันหมูเป็นเกือบ2องสรอตัวหมูป่าแต่เดี๋ยวนี้จับไปเกือบหมดแล้วลนะ่ะยังเหลือไม่กี่ตัว หมาหมาใหญ่เลยหมูก็หมูใหญ่หมูป่าเขี้ยวโค้งเหมือนนแตพระเขาไปเลี้ยงอาหารนี่ยไปเลี้ยงอาหารหมาเลี้ยงอยู่ชายป่าพ่าเอากระลำบังไปแล้วแบพระต้องไปยืนเฝ้านะพอไปยืนเฝ้าหมาสามตัวเหมือนนหมาสมตัวหมาอาเซียนพอไปกินแล้วหมากาลังกินหมูมันถูกกลิ่นอาหารเ่ยคืออาหารเนี่ยคือปลากระป๋องหัวเชื้ออาหารเม็ดของหมาผสมกัน ไอปลากระป๋องเนี่ยหมูกลิ่นไกลใช่ไหมพ่อเปิดปลากระป๋องท่านแล้วน่ะหมูป่ามันอยู่ไกลมือชุดชัดชุชัดชุดชก็มามันอยากจะกินเหมือนกับหมากันเถอะพอมันเข้ามาที่นี่มันก็มาเยือนอยู่นั่นน่ะชุดชัดชุดัดทีหมูโตบักใหญ่ตรงนั้นเถอะทีนี้ไอหมาสามตัวน่ะกินข้าวไปด้วยคนก็ยืนเฝ้านะยืนเฝ้าหมาอย่างนั้นหมูป่ามันจะเข้ามาแย่งเดินเข้ามากินเฉยๆเนี่ยแล้วมันไม่กลัวหมาแล้วนั้นเถะไอหมาตัวหนึงเนี่ย คิดสนุงไงเพราะคงจะเห็นลูกพี่คือพระเนี่ยนะยืนเฝ้ามันอยู่มีลูกพี่อยู่แล้วมีปอกคอแล้วกูไม่กลัวใครจะว่างานเด้ไอหมาจะนี่ไงไอหมาไอไทเกอร์เดี๋ยวนวะ่ากันเถอะมันเป็นพันธุอะไรปากใหญ่ๆนะแต่มันตัวใหญ่นะคล้องแค่หมาจนนี้มันก็วิ่งป๊บไปใส่หมูกันเ่ะพอวิ่งอุ๊บไปใส่หมูหมูมันก็วิ่งอนะไรอยนั้นงี้ยมันตัวบรรจัยเนี่ยหมูตัววักใหญ่เนะี่ยมันก็วิ่งกุตุยกุยตุ ย, ยไปไอไทเกอร์เดี๋ยวนวะ่ากันเถอะ นั้นเห็นหมูวิ่งนงะวิ่งไปตามเขาไนงะแค่ว่าจะไปกัดก้นเขายัางไงก็ไม่รู้นะหมูใหญ่เทยหมูแต่นะ้ำมันหันฟิปมาเท่านั้นแหละหันฟิปมันแข่งไ อ, ไอ้เขี้ยวใส่หมาท่านน่ะใช้ตบเดียวเท่านั้นนะเข้าคอพอดีพดีเลยเหมือนกันมันเก่งขนาดนั้นนะสายตบคอคอเนาะวนะิ่งออกมาแงแงแยงแลที่สุดก็เลยมาตายเลยเหมือนกันะตัวหมาตัวพักใหญ่ตายเลยนะนี่แหละหลวงพ่อวันเนี่ย หมูมันคงจะโกรธแค้นแต่สมัยมันมันไถานานแล้วหมาไม่เหยียบรอยมันก็เลยมันก็เลยเอาเอาเอาทนคืนงแบบั้นเอเออหมาก็เลยตายแล้วกันหมาลงพ่อตัวบักใหญ่อ า, อาเชนเซียนเกือบสูงเกือบเป็นเม็รเหมืนอนกันอันนี้ก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเกิดเป็นคนอย่าเอารัดเอาเปรียบกันให้รักเคารพเมตตากันางานของใครผลงานของใครให้รู้ ในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขาโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้รักให้เมตตากันเอาไว้อย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันละกันเพราะทุกคนมีใจทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีความพอใจหรืไม่พอใจมาอยู่ในจิตใจถ้าเราไปกดขี่ข่มเหงดูถูกเยยดยามเขา ่มากจนเกินไปทําให้เขาทุกใจผลที่ถูก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวียฆ่ากันได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยน้ําใจอย่างสินห้าของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่หลวงพ่อเคยพูดอย่าฆ่ากันเออพระพุทธเจ้าาอจะคิดฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าเขาข้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราละ่ะเป็นการดูถูกเหยียดหยาม เราอย่างมากเลยมาค้าบาจย์ติโกโหติกาของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่าไปคิดฆ่ากันถ้าคิดฆ่าเขาเขาคิดก่าเรามีแต่จองกรรมจองเวียนไปมีที่สิ้นสุดอยากขโมยของคนอื่นเขาถ้าเราขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขารักสงวน ห, วงห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาเสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจ พอนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันข้อที่สีมุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราล่ะ เ, เราเสียใจไหมเราเสียใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วคนที่ชอบโกหกเนี่ยวันนี้ก็โกหกคนนึงคนนึงโกหกแผลไปตอแผลมาอยู่ยงั้นคนที่ชอบโกหกผลที่สุด ทำความชั่วได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น่นพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะถ้าคนที่ชอบโกหกนั้นให้เราสังเกตดูนะเขาจะทําความชั่วได้ทุกอย่างอันนี้คือสี่ข้อที่สี่ข้อที่หสุราเมระยะมัชฌาตมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกวันนี้ของหมือนเมลามีหลายอย่างคัญช่ายาฝิ่นโคคงโ ค, โ ค, โคเคียนอะไรมีมากทุกวันอย่าไอยาอะไรมันมีสิ่ง แปลปลอมขึ้นมามากสรุปแล้วก็คือดื่มเข้าไปแล้วก็ขาดจิตเมื่อขาดจิตแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างคนขาดจิตเหมือนกับคนเป็นบ้าเรารู้อยู่แล้วว่าดื่มเข้าไปเสพเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นบ้าจะต้องขาดจิตแล้วจะเสพทําไมเราอยากจะเป็นบ้าเหรอนีต้องถามเราถ้าเราเสพเข้าไปแล้วขาดจิติพราขาดจิตแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อเขได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ลาบละล่วงสามีภรรยาบุกหลานของใครก็ได้ โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะนั้นศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าทุกอย่างถ้าเราเปรียบเทียบมาให้เห็นแล้วนะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายและอย่าทำํำ เ, เมื่อทําไปแล้วเขาเดือดร้อนเขามาทําให้แกเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันให้รักกันเอาไว้ให้มีเมตตากันเอาไว้ไม่ถึงร้อยปีล่ะ ต่างคนก็ต่างจากกันแล้วให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเพราะพระพเทเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาแล้วที่โคนต้นโพลุงพ่อพูดแล้วพูดอีกท่านไปศึกษาที่โคนต้นโพวันเดือน6กเพ น, นท่านเป็นนั่งภาวนาพอจิตใจของพระ อ, องค์รวมเข้าสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์รู้ได้ด้วยองค์เองก่อนว่าปุกเพในวาสานุจติยานและลึกชาติผลหลังได้นะ ถ้าคนเกิดมาชาติเดียวจะเ ล, ะลึกชาติผลหลังได้อย่างไงใช่ไหมล่ะนี่จะลึกชาติผลหลังได้ก็เพราะว่ามีพบมีชาติติดต่อนอนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนชาตินี้นะเป็นมาอย่างไรเพราะอะไรจึงมาเกิดพระพุทธองค์บอกว่าเพราะมันมีเชือ้อใจมีเชือ้อคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะมันมีเชื้ออยู่ในใจเพราะฉะนั้นให้ชําระใจด้วยตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพราะพุทธองค์ก็าวางแนวแถวเอาไว้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์อหงลวงตาเนี่ยท่านเน้นแล้วเน้นอีก เ, ออเรื่องมรรคแเรื่องอริยสัจสี่ให้พิจารณาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงจะหลุดออกจา ก, กจิตใด้ได้หลวงตาสอนไว้ในธรรมมะทุกขั้นตอนออให้พวกเราศึกษาหนะ่าศึกษาในธรรมคําสอนขององค์หลวงตาของพวกเราธรรมะของหลวงตาของเราแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กพูดไว้อยู่เสมอนะถ้าพูดภาพรวมๆก็ ม, มีนะ ภาพที่เอาเด็ดเดียวก็มีในธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ที่รักเคารพในองค์หลวงตาไม่ใช่รักเคารพเฉยๆแตต้องปฏิบัติตามด้วยสิ่งไหนที่มันถูกเราก็ศึกษาค้นคว้าสิ่งไหนควรให้อภัยก็ให้อภัยควรให้เมตาก็เมตตายืดดุ่นรักกันไว้ให้อภัยกันไว้เมตตากันไว้ไม่ถึงร้อยปีแล้วต่างคนต่างไปละต่างคนต่างใช้กรรมของใครของเรา ทำเป็นผู้ลิขิตให้เรามาเกิดอย่างนี้หลวงพ่ออินเนี่ยทำไมมาเกิดนี่เพราะกรรมลิขิตให้หลวงพ่อมาพวกเราก็มีต่างคนก็ต่างมีกล่ำคลองไข่คล้องเราอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยทุกคนก็มีทุกเหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี่ยพระราชาความเห็นยังไงน้องสาวมีความเห็นยังไงลิงมีความเห็นยังไงช้างมีความเห็นยังไงลูกค่ะเทวดานท่านเคยเป็นสมภารวัดล้างวัดใหญ่มา ก, ก่อน ท่านมีความทุกข์ใจยังไงท่านมาทุกขลาบเ่ทุกขลาบทิวดาที่ท่านพูด น, ะนั่นแหละนี้ก็เหมือนกันคนเรามันมีกรรมของใครของเราใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมของใครของเราเพราะนั้นอย่ายไปเบียดเบียนซึ่งกันและกนันกรรมของใครของเราเราเกิดมากับใช้กรรมเราเขาเกิดมากับใช้กรรมเขานะถ้าเราใช้ธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราให้มองกันเป็นธรรมชาตินะมองธรรมชาติเลยพวกเราจะ จิตใจเย็นสบายมีความสุขไม่เดือดไม่ร้อนนะยังไงก็ได้มีแต่เกลือกกุณหนนกันนะวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดเรื่องพระโมคคราที่ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกข้างซ้ายท่านหอะเห่อเดินฟ้าได้แต่มีอิทธิฤทธิ์มีอภินิหารแต่ก็ไม่เหนือกล่ำแล้วก็คนเราเกิดมา อยู่ด้วยกันให้ซื่อสัตย์ต่อกันอย่าขโมยผลงานกันให้รักกันเอาไว้เหมือนหมากับหมูนะเ่ยอันนี้ก็ให้พวกเราได้คิดอีกเหมือนกันและก็พร้อมกันกับพวกเราให้สั่งสมคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษานั่งภาวนาโดยและจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วปุกเกนิวาสานุจติยาและลึกชาติทุนหลังได้นะวันนี้หลวงพ่อได้ เราแนะนําก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาและก่อนที่จะจบในการแ น, นแะนําหรือว่าการบอกกล่าวนี้หลวงพ่อขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกทกท่านที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อในขณะ น, นี้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้สั่งสมมาตั้งแต่ตึกดําบันตังรอระลิกได้หรือไม่ละเลิกได้ก็ดีที่เป็นบุญเป็นกุศล ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นพลัง เ, เกื้อกูลห น, นุนมาช่วยรักษาสุขภาพองค์หลงตาขอให้หายจากโรคาพยาติขอให้ห ล, ลงตาเป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราด้วยานานเท่านานด้วยเธนิน